ทศพลยานพระพุทธเจ้าที่ทรงสามารถสอนเวนยศัตว์ได้ผลทุกครั้งก็เพราะพระองค์ทรงมีทศพลยานซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้คือ 1. ฐานาฐานายาณปรีชากำหนดรู้ฐานะและอัฐานะ 2. วิปากยานปริชากำหนดรู้ผลแห่งกรรม สสัพพัทธคามินีปฏิปทายานปรีชากำหนดรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวง 4. นานาธาตุญาณปรีชากำหนดรู้ธาตุต่างๆหนานาณาธิมุติกายานปรีชากำหนดรู้อาิมุติ คืออัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นต่างๆกันหกอินทริย์ยโรปริยตายานปริชากำหนดรู้ความหย่อนและยิ่งแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย 7. นานาทิสังกิเลสาธิยานปริชากำหนดรู้อาการมีความเศร้าหมองเป็นต้นแห่งธรรมมีชานเป็นต้น ปุปุเพนิวาสานุสติยานปรีชากำหนดระลึกชาติหลหลังได้ 9. จุตูป ป, ป, ปาตยานปรีชากำหนดรู้จุตติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นต่างๆกันโดยกรรม 10. อาสวะรค์ยานปรีชารู้จักทำรรอสวาศวะให้สิน้น จากหลักนี้เรื่องทศพลยานนี้ยิ่งจะเห็นได้ชัดว่าการสอนธรรมะที่จะให้ได้ผลจริงๆนั้นไม่ใช่วิธีเทศบนธรร ม, มาอย่างแน่นอนและไม่ใช่วิธีที่ว่าเคยสอนกันมาอย่างไรก็สอนกันไปอย่างนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องทศพลยานจะมีอธิบายโดยละเอียดต่อไปในตอนนี้ขอให้จาแต่เพียงหัวข้อไว้ก่อนเพื่อให้เข้าใจหลักของการสอนว่า ทำไมจึงต้องมีการสอบประวัติกันอย่างละเอียดและจะต้องตรวจดูพื้นฐานของความดีที่มีอยู่ก่อนดังที่ได้อธิบายมาแล้วคําอธิบายเรื่องทศพลรยานในตอนนี้จะอธิบายเรื่องทศพ ล, ลยานโดยละเอียดเพื่อท่านทั้งหลายจะสามารถเข้าใจได้ดีว่าเพราะเหตุไรการฝึกสมาธิที่จะให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์นั้นจึงต้องมีการสอบประวัติ และสอนให้รู้ถึงพื้นฐานของความดีและความชั่วที่มีมาแต่เดิมและการสอนทุกวันนี้ที่ไม่ค่อยได้ผลนั้นเป็นเพราะอะไรเมื่อเราศึกษาเรื่องทศพลยานให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วเราก็จะรู้ว่าการสอนแบบเทศบนธรร ม, มาทหรือแบบปัจกถาหรือแบบไหนก็ตามเท่าที่มีอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ถูกต้องตามหลักการสอนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทศพลยานหรือทศภรยานแปลว่ายานที่เป็นกําลังในการสอนของพระพุทธองค์ซึ่งทั้งหมดมีอยู่สิบหัวข้อข้อที่หนึ่งฐานาฐานายานปรีชากําหนดรู้ฐานะและอัฐานะข้อนี้ได้อธิบายมาแล้ว